พึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้ถือเอาปัจจุบันนั้นเป็นหลักปัจจุบันเรานั่งอยู่ที่นี้แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นอยู่อย่าไปดูอย่างอื่นตั้งสติกำหนดใจดูลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าไปไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายความตายน่มันมีอยู่ชีวิตนั้นมีอยู่น้อยเดียวมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองพิจารณาดูให้มันเห็นถ้าลมนี่หยุดลงเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น เมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้กิเลสตัณหาความทะเยอะทะยานกามมันก็เบาลงเพราะ ม, มองเห็นชีวิตนี้สั้นเต็มทีถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้มันจะเข้าใจว่าตนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อนแล้วมันจะทรงกิจให้คิดเพลินไปตามอิทธารมคืออารมณ์ที่ชอบใจต่าง นั่นฉะนั้นอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษทำให้กิเลสหนาแน่นขึ้นในจิตใจเตือนตนเสมอว่าเรานั่งภาวนานี่เพื่อลากกิเลสนะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเตือนตัวเองให้รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะกิเลสมันฝังอยู่ในจิตใจนั้นมันแทรกซึมอยู่ในนั้นแหละถ้ามีสติโยมีสติควบคุมความรู้สึกอนันใ้โยกิเลสมันก็ไม่พุ่งขึ้นมาพอเผลอสติไประลึกไปทางอื่นมากเข้าไปแล้ว กิเลสมันก็ลุกขึ้นมาครอบงามจิตทําให้จิตมัวหมองทําให้จิตพุ่งสัานสงบอยู่ไม่ได้ดังนั้นให้พากันรู้จักกิเลสกิเลสนี่แหละมันบรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นของดีเช่นราคะความกําหนัดยินดีอย่างนี้นะ ไม่ใช่เป็นของดีอย่าไปชื่นชมยินดีกับความกำหนดนั้นต้องเตือนตนเสมอว่าราคกีนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไฟคือราคะแสดงว่าราคะนี่มัน ร, ร้อนเหมือนไฟเผารนจิตใจให้วุ่นวายหาความสงบไม่ได้ เตือนต้นให้มันเห็นว่าราคามันไม่ดีอย่างนี้จิตไปสร้างมันขึ้นมาก็เหมือนอย่างบุคคลเอาถ่านไปหรือเอามือไปจับถ่านไปนั่นแหละฝ่ายมันก็ไม่มือเจ็บปวดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตไปยึดเอาความรักความใคร่มาเป็นอารมณ์ ความรักนั่นเป็นของร้อนมันก็เผาจิตเอาก็เร่าร้อนอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะให้พึงพากันพิจารณาหเห็นโทษแห่งความรักความใคร่พิจารณาหเห็นโทษแห่งความโกรธความโกรธนี่ไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยความโกรธนี่นะ่ะมีแต่โทษน้อยหนึ่งก็มีโทษหลายก็มีโทษ และนั้นพิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นความโกรธนี้ว่ามีโทษคือทำให้ไปก่อกรรมก่อเวรกับคนอื่นและสัตอื่นโกรธมาแล้วแสดงกิริยากายหยาบภายออกไปเช่นทุบตีผู้อื่นอย่างนี้น ะ, สะแสดงกิริยาห ย, ยาบทางวาจาเช่นกล่าววาจา หยาบคายด่าพ่อร่าแม่ด่าโคตรดาวงกันมดาด่าไอหมูไอหมากันมูลนี่มันเป็นคําหยาบโลกเขาไม่นิยมกันโลกแห่งความผู้ดีนะแต่คนชั่วนั่นเขาก็นิยมแหละแต่คนผู้ดีเขาไม่นิยมกันดังนั้นเราต้องให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรง บัญญัติข้อธรรมข้อวินัยก็บัญญัติตามสภาวะของโลกนั่นนะบางสิ่งหมงอย่างนะโลกเขาถือว่าคำพูดเช่นนั้นไม่ดีหยาบคายคล้ายๆก็รังเกียจ อ, อง์เจ้าก็ บ, บัญญัติห้ามเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันพี่นาะ้เห็นโทษแห่งความโกรธเสมอเลยอย่าไปส่งเสริมมัน ต้องพิจารณาทุกวันทุกคืนไปเลยไม่เช่นนั้นแล้วก็จะละความโกรธให้เบาบางลงไปไม่ได้ก็จะสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นในใจเรื่อยๆแหละถ้ามันเห็นว่าความโกรธเป็นของดีความหลงก็จงพิจารณาดูตัวของตัวเองว่าตนหลงมากน้อยเพียงใดพิจารณาให้เห็นความสังเวช ให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าตนมาหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้หลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิน้นหลงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นของของตนีิงจังแล้วก็หวงไว้ถุกแล้วก็กลัวตายเพราะมันกลัวตายเนี่ยมีใครมาหลอก ลวงหลงทําให้หลงเชื่อผิดๆมันก็หลงไปตามเช่นหลงเชื่อว่าการที่ร่างกายสังขารเกิดความวิบัติแปลปวนอยู่นี่มันมาจากสิ่งภายนอกเข้าใจว่าสิ่งภายนอกคือเช่นลุกกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาหรือพูดผีปีชาต หน่าคุดคนทันปุกุบันอะไรโมนี้นะถือว่ามีฤทธิ์มีเดชสามารถทำให้คนเจ็บคนป่วยล้มตายได้นี่เป็นลักษณะของความหลงของ จ, จิตใจผู้ใดเห็นอย่างนี้ในพุทธศาสนาท่านเรียกว่าหลงหลงเข้าใจผิดไปแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้มาทำชีวิตของคนเราให้เป็นสุขเป็นทุกข์ให้เสื่อมให้เจริญแต่อย่างไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของงตนต่างคนต่างก็สเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมาแล้วแต่ผลหลังทั้งนั้นแหละเหตุนั้นจะมีสิดอะไรไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ไม่มีเพราะมันมีกรรมเป็นเครื่อง ผูกพันอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะอันความหลงนี่น่ะมันจะแก้ได้ด้วยการที่เราภาวนาทำสติให้เข้มแข็งควบคุมจิตใจสงบนิ่งอยู่ภายในนั้นเมื่อจิตนิ่งอยู่แล้วปัญญามันเกิดขึ้นมันก็มองเห็น เหตุเห็นผลในเรื่องนั้นๆได้ตามความเป็นจริงดังนั้นจงพากันตั้งใจภาวนาเพ่งใจสำรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกมันจะเห็นผิดไปถ้าใจตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเมื่อพิจารณาเห็นคำสอนของพระเจ้านะ พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าสัตว์ทางร้ายมีกรรมเป็นของของจรเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมามีกรรมเป็นกำเนิดให้เกิดขึ้นมามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดจกทำกรรมอันใดผู้นั้นจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น พระพุทธองค์แสดงไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธควรจะพากันพิจารณาเรื่องกรรมตามตกแต่งตนให้เกิดมาเป็นคนนี่นะหรือว่าพินาถึงกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นมันตกแต่งให้บุคคลเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงถึงความเตือม อันผู้มีกรรมชั่วติดตัวแล้วไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ในที่นั้นน่นแหละกรรมชั่วมันจะอํานวยผลให้เป็นสุขไม่มีเลยผู้ทํากรรมดีใส่ตัวแล้วสละกรรมชั่วออกไปแล้วอย่างนี้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขในที่นั้นบุญตกแต่งให้บุญตกแต่งให้ใหเพราะตนทําบุญบุญก็ตกแต่งให้ตนมีความสุข อย่างนี้นะตนทำบุญคือทำความดีอย่างเช่นเราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอะ่ผู้มีศรัทธาแต่ยังเล็กยังน้อยพอได้โอกาสก็ขอมาบวชในพุทธศาสนานี้สรรหละลความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นะออกมาสุขในการนอนสุขในการกิน นั่นร่วมแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นหมนีนะ่ะนอนอยู่บ้านนอนจนเต็มหูเต็มตาไม่รู้จักตื่นลายแล้่ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศลอะไรมีแต่นอนลูกเดียวเมื่อมาบวชเป็นสามนเณรอยู่ในวัดวาอารามแล้วหรือเป็นพระก็ดีจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ พอมันเลื่อนขั้นแห่งชีวิตแล้วชีวิตนี้เรียกว่ามันก้าวขึ้นไปขั้นสูงขึ้นไปอีกผู้ผู้นําชีวิตของตนได้ก้าวสูงขึ้นไปมันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติเข้มงวดไปกว่าเดิมไม่ใช่ว่าก้าวขึ้นไปสูงแล้วเราไปนั่งกินนอนกินไปทองทําอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนี่ จะไปทำเหมือนเทวดานั้นไม่ได้อันเทวดานั้นกระมิดแต่เป็นมนุษย์นี่เขาเอาทุกเป็นทนนะสร้างบุญสร้างกุศลไม่เห็นแก่ความยากลำบากอะไรทุกยากก็อดเอาทนเอาขอให้ได้บุญขอให้มีสินมีธรรมอยู่ในตนขอให้มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในตน น, นี่เขาสร้างบุญกุศลแต่เป็นมนุษย์นี่มากมายเมื่อ น, นั้นเขาตายแล้วบุญกุศลอันนี้จึงนำจิตวิญญาณดวงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาสเสวยของทิพย์ของไม่ต้องทำหมายความว่า ง, งั้นไม่ต้องทำนาทำสวนไม่ต้องทำการค้าขายอะไรเลยบุญที่ทำในชาติเป็นมนุษย์นี่หัก บนบันดาลให้ที่อยู่ที่อาศัยวิมานก็บุญบันดาลให้เลยไม่ต้องไปหาเงินทองไปสร้างไปอะไรเหมือนมนุษย์โลกนี้อย่างนี้แหละไอความสุขของคนเราเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลได้ ม, มากๆเขาแล้วมันก็แต่งความสุขให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ให้เข้าใจผู้ใด ไม่เชื่ออย่างนี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่นับถือพุทธศาสนาเลยผู้นับถือพุทธศาสนาต้องเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวดังกล่าวมาแล้วนั้นเชื่อต่อการกระทาของตัวเองนี่แหละว่าเป็นสิ่งที่อำนวยผลให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ตนทำชั่วกรรมชั่วก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ตนทำดีกรรมดีก็อำนวยผลให้เป็นสุขต้องเข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตนภาคเรีมพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปตนก็สิ้นทุกข์ทุกข์ก็ไม่ได้ติดตามตนเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่นิพพาน ไม่มีทุกข์ติดตามไปบรบกวนอีกแล้วมีแต่สุขรว่นล้วนดังนั้นผู้ที่จะได้สุขรว่นล้วนอย่างนั้นต้องเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญบา ร, รมีละความชั่วไม่เห็นแก่ความสุขสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวสามเณรน้อยนี่ก็นับว่ามีบุญบุญบันดาลให้สละความสุขเด็กเล็กน้อยน้อยเหล่านั้นมา บวชประพฤติพรหมจรรย์ขยันมันเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพออยู่ได้ให้นึกอย่างนั้นเราฉันเข้าภาพเดียวอย่างนี้นี่มันก็อยู่ได้ตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าหากว่ามันอยู่ไม่ได้พระศ า, าสดามไม่พาทะพระองค์ก็ฉันคนเดียว สเสด็จออกบวชแล้วนะอืาก็ยังได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่แหละพระองค์บำเพ็ญทางสายกลางไม่ยิ่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปดังนั้นการที่เราทำตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่จึงชื่อไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดี สตรีก็ทำได้ไม่ว่าใครๆว่าจะมีศรัทธามีปัญญามองเห็นว่านี่แหละคือทางพ้นทุกข์อย่างนี้แล้วลงมือทำได้ทางนั้นเลยนี่เรียกว่าเราเราอาศัยความสุขชั่วคราวแลกเอาความสุขอันภัยบุญนะขอให้เข้าใจอย่างนั้น เราไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้โดยส่วนเดียวเพราะความสุขชั่วคราวก็ยังว่าชั่วคราวมันสุขไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็หมดไปอย่างนี้นะเมื่อสุขดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ร่างกายจิตใจอันนี้นะแต่โดยเฉพาะเรื่องจิตนี่แหละเมื่อสุข ความสุขนี่ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนความรู้สึกทุกข์หมายความว่าเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติอยู่ก็เป็นสุขกินได้นอนหลับอยู่ก็เป็นสุขนี่นะขณนเมื่อร่างกายเนี่ยนี่มันวิบัติแปรพวนไปกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับอย่างนี้เอาแล้วร่างกายนี่ก็วิบัติแปรพวนกระทบกับจิตนี้ จิตนี้ก็รู้สึกเป็นทุกข์ถ้ารู้เท่าก็อดเอาทนเอาไม่ไม่โศกเศร้าเสียใจต่อความทุกข์ความบุญวายของขันหานี่ผู้รู้เท่านะไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกขเวทนาก็สักว่าแตเวทนา เวทนามันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่เราแล้วทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราจะ ต, ต้องเข้าใจอย่างนั้นจิตนี่อาศัยอยู่ในขันห้าแต่ไม่ใช่ตัวขันห้าเพียงแต่อาศัยอยู่เหมือนใบบัวอาศัยน้ําอยู่นั่นแหละอย่างนี้เนี่ย แต่ใบบัวก็ไม่ใช่น้าแต่น้าก็ไม่ใช่ใบบัวต้องให้เข้าใจอย่างนั้นใบบัวก็พอใบบัวน้าก็พอน้ำแต่อาศัยกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ก็อาศัยขันห้าอยู่แต่ไม่ใช่ตัวขันห้าแต่ขันห้านี่ก็ไม่ใช่จิตต้องให้เข้าใจอย่างนั้นห้าหากว่าเข้าใจว่า จิตก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือจิตอย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยแน่นอนทีเดียวเมื่อขันธ์ห้าวิบัตแฟฟิแปรปวนจิตก็แปฟ่ฟวนเป็นทุกข์เพราะมันอันเดียวกันเมื่อขันธ์ห้าแตกดับจิตก็สูญไปกับขันธ์ห้าอีกไม่ไม่เกิดอีกนี่มันก็ไม่ใช่แล้วืมถ้าว่าจิต สูญไปกับกัรหน้าอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไม่เกิดอีกนะผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างว่านะั้นนะเพราะว่าเมื่อจิตตรงนี้ก็สูญไปแล้วบุญกุศลที่ทำก็หมดไปตามกันแล้วมันจิตเต็มได้ยังไงอาน้บุญนะผู้สร้างบารมีเป็นผู้เจ้าก็ดีไม่มีทางเต็มเลย แต่นี่มันแตกมันดับไปแต่น้ากับรูปเท่านั้นเองแต่ดวงจิตไม่ได้ดับไปกับน้ํากับรูปนี้ดวงจิตตรงนี้มันเป็นมันเป็นต้นต่อของบุญของบาปก็ว่าได้ถ้าจิตยึดเอาบุญไว้าบุญก็นําจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนหะถ้าจิตนี้ยึดเอาบาปไว้ บาปก็นำจิตตรงนี้ไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากนี่แหละถ้าหากว่าจิตตรงนี้มันสูญมันตายเป็นเหมือนกับร่างกายสังขารแล้วมันจะมีใครนะ่ะยึดเอาบาปไว้บาปมันจะนำใครไปสูน่นรกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วบุญมันจะนำใครเราไปเกิดสวรรค์ ไปนิพพานนะใครเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนิพพานนั่นแหละให้เพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นชัดโดยปัญญาอย่างนี้ก็หมายความว่าจิตนั่นและเป็นตัวตั้งตัวตี เ, เหมือนอย่างคนนี่นะคนนี่สร้างงานผานะขึ้นแล้ว คนก็ขึ้นเป็นนั่งยานผานะน้าั่นแล้วก็ติดเครื่องเข้าไปยานผานหน้ามันก็วิ่งไปคนก็ไปตามยานนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางถ้ายานนั้นไม่เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตนี้หากมีความเห็นถูกเห็นชอบอยู่อย่างนี้มันก็สั่งสมอเอาแต่บุญแต่กุศลไว้ในตนของตน ไม่สั่งสมเอาบาปไว้ อ, อย่างนั้นดังนั้นน่ะเมือ่อผู้ใดฉลาดรูด้จักสั่งสมอาแต่บุญกุศลใส่ตนไว้ส่วนบาปนั้นไม่เอาอีางบุญกุศลมันก็เหมือนอย่างงานผานะที่นายช่างเขาทำดีแล้วนั่นแหละไม่เสียไม่หายอะไรอะ่ะแค่นี้พอติดเครื่องเข้าแล้วมันก็พาวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้ อันบาปกรรมนี่จะไปอุปมาเหมือนญาณไม่ได้เลยบาปกรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างก้อเวียนเหมือนอย่างแอกทับอยู่บนคอวัวเขาบอกเจ้าเปรียบไว้นะธรรมดาแอกทับอยู่บนคอวัวมันก็หนักอยู่ตลอดเวลาเลยบรรทุกสิ่งของหนักด้วยอย่างนี้นะหัวนั่นก็ต้องแบกเอาแอกนั่น ดันไปตามทางอยู่นั่นเนี่ยทนทุกข์ทรมานไปเป็นเงนินอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั่นเนยบุคคลผู้ชื่นชมยินดีในบาปในอกุศลไปยึดเอาเช่นยึดเอาความโลภยึดเอาความโกรธยึดเอาความหลงไว้อย่างนี้นะกิเลสล่านี้มันก็เผาจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั่นเน่ยจิตนี้ไม่ ไม่ไม่เบาจากกิเลสเหล่านี้ไม่เบาจากความทุกข์เลยในเมื่อยึดเอากิเลสเหล่านี้ไว้ไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่เพียนละมันดังนั้นทุกคนให้ภาวนาจิตสงบลงไปแล้วมันเห็นแหละวะเนี่เห็นตัวกิเลส่ะเห็นได้เลยอาความโลภนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธเป็นอย่างนี้ความลงเป็นอย่างนั้นมันก็รู้มันก็เห็นได้ด้วยตนเอง เป็นอย่างนั้นถ้าว่าไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับแล้วกิเลสมันหุ่มห่อจิตไว้ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้เลยอุปมาเหมือนอย่างตาตาที่มีฝ้าปิดบังอยู่มันก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลย เห็นพอหลวหลวเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าหากฟ้าหมอเขาลอกฝ้าในที่หุ้มหอตานั่นอยู่ออกไปอย่างนี้นะตานั่นก็ใสสว่างขึ้นมาทันทีเลยอมันเป็น่งั้นมองเห็นอะไรก็ดเห็นชัดเจนได้เลยอืา พ่อหนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะ่ะเมื่อเราเพียรพยายามลอกราคะโทสะโมหะนี่ออกจากจิตนี้แล้วจิตนี่ก็ผ่องใสขึ้นมาอมเมื่อจิตผ่องใสขึ้นมาแล้วก็รู้จากทุกข์แล้ววันนี้นะอ้อที่พระพุทธเจ้าว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนอะเกิดมาแล้วมีรูปมีกายนีม่มาความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปโรคไข้ไข้เจ็บก็เกิดบีบคั้นเข้าไปเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องหาความปกติไม่ได้นี่แหละถ้าใจสงบปัญญาเกิดก็้นมองเห็นอโอ ร่างกายขันทั้งห้า น, นี่เป็นทุกข์จริงมันปกติอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ที่ พ, พระพุทธเจ้าตัดว่ามันเป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้เลยสังขารร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้เนี่ยเลี๋ยวพ ร, ะ, พระองค์ทรงสอนว่าแล้วทุกข์เหล่านี้ขันทั้งห้าเหล่านี้มันเกิดมาได้อย่างไร เกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากตัณหาตัญหาความทะเยอทะายานอยากแล้วก็มีอวิชชาเป็นเพื่อนมันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี่ถือว่าน่าเฉยชมน่ายินดีพอใจละก็ ยึดเอาเป็นอารมณ์ไว้ในใจแล้วก็แสวงหาแบบ น, นี้นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะ่ะมันเป็นงั้นพี่จนะมันเห็นเมื่อใจมันยึดมันพอใจอย่างนั้นมันทําบุญกุศลทำอะไรไปก็ มันก็มีความปาฏถาให้บุญนั่นตกแต่งให้ตนได้รูปสวยๆงามๆได้ฟังเสียงไพเราะได้สูดกลิ่นหอมหวนได้รับรสอาหารอร่อยอได้นั่งนอนผูกเบาหมอน อ, นอ่อนนุ่มนิ่มได้สัมผัสกับของที่ละเอียดอ่ อ, อนผ้านุ่งผ้าหม่ม ถ้าได้ผ้าเนื้อละเอียดมานุ่งหัวผมก็ติดอกติดใจดีใจอยู่กับผ้านั้นนี่เนะี่ยบ้านช่องเลยสร้างขึ้นละเอียดประนีประนจงอะไรก็สวยงามเครื่องตกประดับตกแต่งอะไรก็สวยงามอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่รู้เท่าแล้วมันก็ติดแล้ว กันพอโอกคใจอยู่ในบ้านในเรือนนั้นทำบุญกุศลอนไดก็ปรารถนาให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แหะบุญกุศลมาก็แต่งให้อ้ามาเกิดเป็นคนขึ้นมาบุญกุศลก็แต่งให้มีบ้านมีเรือนอยู่อาศัยสบายสบายมีเงินมีทองมากมายอย่างนี้เนละจิตใจก็ไปติดข้องอยู่ในเงินในทอง ในบ้านในช่องอะไรลาบยศต่างๆหมดนั้นติดข้องไปแล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขอย่างนั้นตลอดไปหาไม่ได้นานไปก็สิ่งหนาหนั้นก็เกิดวิบัติไปหรือถ้าสิ่งเหนาหนั้นไม่เกิดวิบัติร่างกายสังขารก็แปรปรวนไปหาทางแตกดับหาได้ อยู่สวยสุขสมบัติอันนั้นตลอดไปไหมอันนี้แหละที่พระุทธิเจาา้าตรัสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จงพากันพิจนารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ละมันเสียนี่ส่วนทุกข์นั่นพราศสดาสอ น, อนละไม่ได้ในเมื่อจิตนี่ยังอาศัยขันหานี่อยู่ตราบใดก็จะต้องได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่ตราบนั้น แต่การที่มาฝึกฝนจิตให้ละความอยากความบาดธนาอย่างว่านั้นทําได้อเมื่อเราเห็นโทษของมันแล้วแล้วก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้แหละก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงเลยบริหารเครื่องใช้ไม่สอยใดก็พระพุทธเจ้าก็ทรงอวางระเบียบให้ มีแต่พอสมมาสมควรไม่พุ่มเพยเกินไปอย่างผ้าก็สามผืนอย่างนี้นะถึงแม้จะมีผ้าอาศัยอยู่บ้างก็ไม่มากนั่นแหละถ้ า, าว่าสะสมไว้มากๆก็เป็นตัญหาเป็นความโลภในปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็พ้นทุกไปไม่ได้อย่างว่านั่นแหละอย่างภิกษุรูปหนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้า ที่สาวทอผ้าไหมให้สวยงามแล้วก็ไปวานให้ขอยร้องเพื่อนช่วยตัดช่วยเย็บให้พอตัดเย็บเสร็จแล้วย้อมตากให้แห้งแล้วก็พับไว้ว่าวันพรุ่งนี้เราจึงอย่าพินทุกอธิษฐานใช้เอาตกกลางคืนมาเกิดโรคปัจจุบันรันด่วนขึ้นเมื่อรู้ว่าตนจะตายก็นึกถึงผ้าตอนนั้น แม่พี่สาวของเราทำผ้าไหมมาให้เราก็จะไม่ได้นุ่งได้ห่มแล้วจะมาตายเสียลหนอชิดใจเราไปเพ่งพัวพันอยู่ในผ้านั้นพอตายลงมันก็เกิดเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้านั้นเลยบัดนี้พระทั้งหลายจะเอาผ้านั้นมาตัดแจกกันเลนนั่นก็ร้องให้ ไปมาเสียดายอะไรผ้านั้นพระศาสดามีหูทิพนี่พระองค์พระองค์ได้ยินเสียงเลนมันร้องให้พระองค์จึงได้ห้ามไม่ให้พระเหล่านั้นตัดผ้านั้นแจกกันก่อนต้องรอไปถึงเจ็ดวันซะก่อนให้เจ้าของผ้านั้นเขาตายจากผ้าแล้วไปเกิดที่อื่นซะก่อนจึงค่อยแจกตัดแจกกันพระเหล่นั้นก็หยุดไม่ตัดแจก เล่นตัวนั้นได้อาศัยผ้านั้นเป็นเครื่องอยู่ไปเจ็ดวันกรรมอนนั้นมันก็หมดไปอา น, นิสงส์แห่งการบวชนั่นก็นำไปเกิดสู่สวรรค์นั่นแหละแต่ยังว่าตัณหาอุปาทานนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนผู้บวชเข้ามาแล้ว หรือไม่บวชก็ตามเนะี่ยก็ต้องพิจารณาปัจจัยสี่นี่ให้รู้เท่าแล้วจึงค่อยบริโภคใช้สอยรู้เท่าว่ า, ผ, าผ้าหนุ่งผ้าหฮมก็ดีแม้จะเนื้อละเอียดแล้วอ่อนเนื้อละเอียดแล้วออย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็แต่ก็ดับไปเหมือนกันเนะี่ยกับร่างกายนี่นะอาหารการบริโภคจะ อ ร, อร่อยสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงแท่แน่นอนอะไรเลยรับประทานเข้าไปแล้วก็ก า, กากมันก็ถ่ายเทออกไปก็เป็นธาตุดินของเกล้งเป็นอย่างนั้นส่วนอาหารส่วนละเอียดไฟธาตุย่อยแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ไว้มันก็หมดอายุของมันได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นะหรือไม่ถึงคืน ไม่ถึงวันหนึ่งคือหนึ่งซ้ำวันเดียวไปทำการดำางานเข้าไปอาหารอันละเอียดแล้วนั้นก็ลังไหลออกมาภายนอกที่เรียกว่าเหงื่อใครนี่แล้วก็ถ้าไม่ชำระล้างไม่ขัดถูปล่อยไว้วันสองวันสามวันก็ส่งติ่นเหม็นออกมาเล ย, เ, ลยเป็นอย่างนั้นนี่นี่แหละเพราะฉะนั้น พี่เจรนามันเห็นเรื่องนี้มันก็ไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั้นฉันก็สักว่าแต่ฉันไปพอประทังชีวิตนี้ให้อยู่ได้ประพืติพมจันได้บาเพ็ญบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปเท่านั้นเองไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาติดมาคล้องอยู่ในร่างกายนี้ว่าของเราของเขาไว้ห่วงเห็น ไม่ยอมไม่ใครด่าว่าตีเตียนเลยถ้าใครด่าว่าตีเตียนนอ้นกกโมโหโทโซขึ้นมานั่นก็พ้นทุกไปไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นะก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคต่างๆตลอดถึงบ้านช่องหรือกุฏิวิหารอะไรที่เขาสร้างถวาย จะละเอียดปานี้ยังไงก็ตามเราไปอยู่อาศัยต้องพิจารณาให้รู้เท่าอย่าไปกำนัยินดีในที่อยู่อาศัยอันนั้นยุกยาโครคไัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เอายุกอายามาถวายให้ขอบให้ฉันเช่นนี้อะไรก็ต้องพิจารณาซะก่อนจึงค่อยฉันยาอันนั้น ชันยานี้ก็เพียงแต่เพื่อบำบัดโรคภัยซึ่งเกิดอยู่ในร่างกายนี้ให้ถอนตัวออกไปให้ได้รับความสุขความสบายทางกายเพื่อจะได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อจะได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาต่อไปเราไม่เราชันหยุกชันยารักษาโรคภัยนี่ไม่ไม่ใช่เพื่ อ, อยังอื่น ไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายนี้อ้วนพีดีงามแล้วเอาไปอวดคนอื่นเขาางี้ไม่ใช่นั่นเป็นกิเลสไม่ถูกทางพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วจริงค่อยบริโภคใช้สอยมันก็ไม่เป็นโทษอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆนานา นี่คอยเข้าใจไว้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปเสมอเสมอแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยสีน่นี้เป็นเหตุเพอหลงไหลในปัจจัยสี่นี้แล้วพิจารณาเห็นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอุปท า, านจิตใจที่มายึดถือร่างกายนี้มันก็ไม่มี อาศัยอยู่ก็สักว่าแต่อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราของเขาอะไรเลยอุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปัจจัยให้บังเกิดพพหมายความว่าเมื่อจิตใจยึดถือภาตุสี่ขันธ์ห้าหรือว่ายึดถือบุญหรือบาปอะไรในชาตินี้แล้วเนืบุญบาปมันมักก็นำดวงขิดนี้ไปเกิดใน พบในชาติอื่นต่อไปอีกแล้วมันก็แก่เจ็บตายอีกอย่างนี้นะหมุนเวียนกันอยู่เนี่ยอุปท า, านความยึดมั่นถือมัน่นมันพาให้เกิดไม่รู้จักจบเลยดังนั้นจงพากันภาเพียนละมันไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปท่อไปถอยเราเป็นทุกข์เดือดร้อนกับกิเลสตัณหากับอุปาทาน จิตใจไปหลงยึดหลงถือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงเร้วมามากับเป็นทุกข์กับสังขาร น, นามรูปที่ยึดถือมานี่แหละทุกชาติจะพบมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นทุกข์กับมันสังเกตดูให้ดีเมื่อโลกไฟเบียดเบียนเอาแล้วหาความสุขสบายไม่ได้ ข้าวก็รับประทานไม่อร่อยนอนก็ไม่ค่อยหลับเดินเหินไปมาทางไหนก็ลําบากปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นเมื่อยล้าอ่าแข้งขาอันไดก็อ่อนเปรียปร้ยเพี้ยแรงถ้าไม่ระวังก็หกล้มอันโมนี่นะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอยู่เสมอเสมอแล้วก็มันก็ไม่ติดไม่คล้องแหละแบบนี้ มันก็ไม่ติดไม่ค้องมันรู้หัาเห็นด้วยตนเองเนี่ยมันรู้ขึ้นในจิตนั่นเนี่ยรู้ว่าจิตไม่ค้องอยู่ในนา ม, มารประธรรมรูปประธรรมอันนี้หรือว่านอกรูปประธรรมนามปรธรรมาอันนี้ออกไปจิตก็ไม่ค้องเลยอย่างนี้นะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองเนี่ยผู้ใดภาวนาทำใจสงบระงับแล้วนะมันก็มองเห็น ทุกมองเห็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้แล้วก็มาเพยายามละเหตุอันนี้ตามที่ผู้เจ้าสั่งสอนไว้ระ ง, งับเหตุอันนี้เรื่องระ ง, งับตันหาความได้เยื่อทยานอยากให้เบาบางออกไปจากขิตใจนี่เนี่ยเมื่อตันหานี่ดับไปเท่าใดทุ ก, ก็ดับไปเท่านั้นทุกทางใจนะ เนี่ยท่านพระพุทธเจ้าทรงตัดว่านิโรธแปว่าความดับคือตัณหามันดับจากจิตนี่แล้วทุกทางจิตนี่ก็ไม่มีฮะนี่ทุกทางจิตก็ดับไปจิตเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี้ก็เพราะตัณหามันเผาเอาเรื่องมันนะความอยากนี่แหละมันเผาจิตใจให้ ถ้าเยือทยานอยากได้โนู้นอยากได้นี้ไม่มีสิ้นสุดดังนั้นตัณหานี้พระศาสนาจึงทรงสอนให้เพียนละเพียนละให้มันน้อยให้มันเบาบางไปเรื่อยเืยตัณหาที่จะพาไปสู่นรกอบายภูมิก็คือตัณหาอยากฆ่าตัดตัดชีวิตมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ตัณหาอยากลักทรัพย์ สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าตัณหาความอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเพียงนั้นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมันเป็นบาปเป็นโทษแต่ถ้าต้นหาเอา ด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาของตัวเองแล้วได้มาทำความรู้เท่ามันตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วบริโภคใช้สอยไปมันก็ไม่เป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรอะไรเลยมันเป็นงั้นก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยควรเข้าใจอย่างนี้มันจึงจะ ดับทุกทางใจได้ไม่มากก็ น, น้อยแหละไม่ประพฤติผิดในกามไม่มากมากในกามคุณมีผัวเดียวเมียเดียวสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรสำหรับนักบวชแล้วต้องเว้นจากการชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหมดเลย แม้แต่มือก็ไม่ไปแตะต้องในรูปที่เป็นที่กงกันข้ามอย่างนั้นเมื่อตาเห็นแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ว่าเป็นของแตกของดับให้รู้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆ น, น, นานาเมื่อตาเห็นรูปสวยๆงามก็แล้วพิจารณาให้มันลงปัจจุบันนั่น อย่าไปอ้างนน่นอ้างนี่พิจารณามันเห็นชัดลงในใจว่าเป็นของแจกของดับไม่ใช่สวยงามอะไรสวยงามตั้งแต่ผิวนอกเท่านั้นเองหกอในผิวหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามก็พิจารณาเข้าไปอย่างไรครับมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ตัณหามันก็ระ ง, งับไปเรื่อยๆไปนะ เน้อวาจาคำพูดก็เหมือนกันมันก็ออกมาจากตัณหาทันเมื่อมันอยากได้สมบัติพคสฐานของผู่นเอาเป็นของตนมันก็ใช่วาจาหลอกลวงช่อโกงโกหกพกลมเอาเฮ่วาจาอันนี้ก็ดีมันก็มาจากจิตนั้นเองแหละเพระนั้นถ้าจิตไม่อยากแล้วอย่างนี้วาจามันก็ไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงอยากได้สมบัติพืนเอาเป็นของตนมันก็ไม่อยาก ้นหามาได้เท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอันนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ภาคเปลียนพยายามปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระศาสดาทรงสอนไว้ก่าวโดยโยก็คือผู้คลองเลือนก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมไว้พระภาวนา ข้าเป็นนักบวชก็บำเพ็ญศีลวินัยให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นไปต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในต้นเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจนี้ก็ มันก็รู้ทีนี้มันก็รู้อะไรเป็นทุกทุกคืออะไรมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็รู้ว่าเหตุที่เกิดทุกคือตัณหามันก็รู้ชัดแบบนี้นะตัณหานี่คคนละมันก็ละไปเรื่อยๆฮนี่มันรู้ว่าไม่ใช่สะสมให้มากขึ้นไป เ, เป็นการตัดทอนความอยากให้น้อยเข้าไปเรยงลาดับอา้าว ถ้าผู้ครองเรือนก็จะคิดว่าเอา้าเวลาความอยากนี่แล้วจะเอาอะไรมากินกขี้คลานไม่ทํางานนะสิออันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องคิดไม่คิดก็ไม่รู้พระศ า, ษ า, ษาสดาทรงสอนธรรมะคําสอนนั้นไว้หลายประเภทหลายขั้นตอนเพื่อเหมาะสมแก่บุคคลหลายระดับจะพึ่งปฏิบัติตามได้ ผู้ครองเรือนก็ราตันหาความอยากอันแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นลากความอยากประเภทนั้นออกอยากได้เงินทองเข้าของในทางสุดจริตไม่ทุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่ลักไม่ล่อ เอาของผือเราเป็นของตนอย่างนี้นะที่พร ะ, พระศาตร า, าทรงสอนให้อยากนั่นแนหะยากได้สิ่งของไปในทางสุจริตอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรให้พากันเข้าใจเรื่องตัณหานี่แต่สําหรับเป็นนักบวชแล้วนั้นไม่ควรจะอยากอะไรเลยเพราะว่ามีชีวิตนึ่องอยู่เรื่ ผู้อื่นมีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยชาวบ้านปัจจัยทั้งสี่นั้นรุน่นใดชาวบ้านขวัขวายมาเนื้อถวายไปเช่นผ้าหนุง้าหมเขาก็ทอดกระถินบ้งบางบังสกุลบ้างถวายซึ่งซึ่งหน้าเลยมีอย่างนี้แหละพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้หาเงินหนะ้าทองไปซื้อไวหาเอา ข้าวน้ำโภชนาอาหารชาวบ้านเขาก็ทำนาทำไร่ทำสวนอะไรแล้วก็แบ่งกินแบ่ ง, บงทานส่วนหนึ่งก็ถวายทานส่วนหนึ่งก็กินพระนี่ก็ต้องรับทายทานจากชาวบ้านรับอาหารจากชาวบ้านมาขบมาชันก็ไม่ได้ไปหาด้วยตนเองดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าการขบการฉันในฉันมือเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเราชีวิตของเราเนื่องอยู่ในผู้อื่นจะไปฉันมากอย่างผู้ครองเรือนอันนั้นเขาหาเองเขาหาเองเขาต้องการจะบริโภคเวลาไหนเขาก็บริโภคไปนักบวชนี่เราอาศัยชีวิตอาศัยเป็นอยู่จากชาวบ้านนะ ดังนั้นก็จึงทำตัวให้เป็นผู้มักน้อยเข้าไปไม่มากมากในอาหารฉันมื้อเดียวแล้วก็พอแล้วเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลมาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษแห่งปัจจัยสี่นี้หยุกยากแก้โรคไัยแค่เจอก็เหมือนกันที่ที่อาศัยก็เหมือนกัน ต้องพิจารณาให้รู้เท่าว่าล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนั้นของเหล่านี้นะของแตกของดับร่างกายไม่เที่ยงชันใดปัดจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายก็ไม่เที่ยงชั้นนั้นต่างก็หมดอายุแล้วมันก็แตกดับไปทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงอย่างนี้แล้วมันก็มันก็รู้เท่าห์านี่มันก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในปัจจัยสี่นี้แล้วก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ ก็พ่อเราภาเคเรียรพมายามภาวนาให้ใจสงบแล้วก็เจริญปัญญาใช้ความคิดความนึกวินิจฉัยเหตุผลแห่งชีวิตดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเมื่อได้สะดับสับฟังแล้วก็ขอให้จดจำอุ ป, ปายาต่างนานาเหล่านี้เราไปลงมือปฏิบัติก็ จะบรรเทาเสียซึ่งกี่เหตตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราทำความดีอะไรก็เพื่อที่จะยกจิตตรงนี้ออกจากกองทุกข์ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเมื่อมันแก่เท่าชรลามาแล้วร่างกายมันก็ทุดโทรมโรคภัยกระเบียดเบียนร่างกายก่อ ผู้รุนทุลายกระสับกระใสไม่เป็นปกติจิตใจที่ครองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงได้รับความกระทบกระเทืนอนเพราะว่าจิตดวงนี้เป็นธรรมชาติรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อจิตตรงนี้ ไม่รู้เท่ามันก็จึงกระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงรู้เท่าได้มันก็ยังปรากฏเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละคือว่าอาศัยขันห้านี่อยู่เมื่อขันห่านี่มันแปรพนอยู่อย่างนี้จิตนี่มันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันรู้เท่าแล้วมันมันยังไม่วันไหวเท่านั้นเองเน่ แต่ความรู้สึกนั้นมันมีอยู่แต่มันเพียงแต่ไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองไม่แต่พระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้าทท่านั้นที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาเสียแล้วนั่นแหละจึงไม่รู้สึกต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ดังนั้นเราต้องรู้ไว้ หน้าที่ของผู้รู้ทั้งหลายนั้นต้องอดต้องทนอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งต่างไม่อดทนชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้ผู้ยังไม่รู้แจ้งท่านผู้รู้แจ้งแล้วท่านอดทนเพราะขันดังห้าอันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราของเขา มันจึงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันยอมเป็นไปตามกฎธรรมดากฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วได้เป็นเบื้องต้นแล้วกแปรปรวนไปใน่ามกลางแล้วแตกดับไปในที่สุด